ได้มีโอกาสดูวิดีโอที่บันทึกการแสดงธรรมของหลวงพ่อคำเขียนวิดีโอนี้ถือว่ามีคุณค่ามากนะเพราะว่าถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อปี29นะเกือบ30ปีมาแล้วตอนนั้นหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่วัสนามหนก็มีคนถ่ายวิดีโอไว้ แล้วนะตอนหลังเนี่ยก็เอามาอัพโหลดขึ้น f a c e b o o นะเมื่อสักกาทิย์ที่แล้ววิดีโอแบบนี้ก็นําว่าหายากนะเพราะว่ามีความเก่าปกติเวลาเราเห็นภาพหลวงพ่อตอนอายุสักห้าสิบเนี่ยก็อาจจะ ก, ก็ถือว่าหายากแล้วนะยึ่งม่ได้เห็นวิดีโอที่ท่านเคลื่อนไหว แล้วก็แสดงธรรมอันนี้ก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ตอนนั้นหลวงพ่ อ, อยุ่0การแสดงธรรมจังหวะจากโคนก็แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยในช่วง 5-6 าปีหลังหรือช่วง10ปีหลังก็ได้ถึงแม้ว่าจะเคยได้ฟังหลวงพ่อบรรยายมาตั้งแต่30ปีที่แล้วแต่ก็ลืมเลือนไป ภาพที่จำได้ก็เป็นภาพที่ท่านแสดงทมในช่วง10ปีหลังซึ่งก็แตกต่างจากเมื่อ30ปีที่แล้วพอสมควรน้ำเสียงก็ก็แตกต่างนะงั้ น, นั้นพอได้ไปดูแล้วก็ได้ฟังก็ถือว่าเป็นเป็นการบรรยายที่หาฟังหาดูได้ยาก เฉพาะความเก่านี่ก็ถือว่ามีค่าแล้วแต่เนื้อหาก็น่าสนใจนะหลวงพ่อท่านพูดเรื่องแก่นแท้ของสัจธรรมแก่นแท้ของสัจธรรมก็มีตอนหนึ่งท่านพูดว่าคนถูกด่าเนี่ยก็เห็นสัจธรรมได้นะคนที่มีความทุกข์นี่ก็เห็นสัจธรรมได้ข้อความสั้นๆนี่มาพิจารณาดูมีความหมายที่ลึกซึ้งนะ กี่คนที่อัตนหนักว่าเวลาถูกด่าแล้วเนี่ยจะได้เห็นสัจธรรมส่วนใหญ่ก็โมโหชุนเฉียวโกรธแล้วก็จะคิดว่าเนี่ยซวยนะถูกดา่าโชคไม่ดีเลยก็ <c oughs> ไม่ได้เฉลียวใจว่าก็สามารถจะเห็นสัจธรรมได้จากเหตุการณ์ที่ว่าเห็นสัจธรรมเรื่องอะไรบ้างนะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนและคือเห็น ในเรื่องโลกธรรมแปก็คือนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศได้รับคำสเสริเสริญก็ถูกนินทาสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันในถ้าฉเฉลียวใจสักหน่อยนี่ก็ก็เห็นแล้วนะว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองนะไม่มีใครที่จะได้รับแต่คำสเสริเสริญคำนินทานี่ก็เป็นธรรมดาโลกนะคำต่อว่าดาถาก็เป็นธรรมดาโลก อันนี้เป็นสัจธรรมอย่างแรกเลยนะที่เห็นได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าใจไม่พร้อมที่จะเห็นเพราะว่าเอาแต่โมโหเอาแต่โกรธสัจธรรมอันนี้ก็มีค่านะนึกไปถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งของหลวงปู่หลวงพ่อทองรัดกันตัดสีโลท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแต่ว่าท่านเป็นมหานิกายนะไม่ได้เป็นธรรมยุทธ หลวงปูม่ม่นก็นับถือนะลูกศิษย์คนนี้ท้านทั้งที่กิริยามารยาทก็ไม่เรียบร้อยนะผงผางแล้วก็เอะอะวอยวายแต่ว่าเวลาเจออะไรมากระทบนี่ท่านก็นิ่งได้นะนิ่งมีคราวหนึ่งมีคนเขียนบัตรสนเทศใส่บาทท่านท่านก็รู้นะว่ามีอะไรอยู่ข้างในพอกลับมาถึงวัดนะี่ท่านก็หมจีวรสะายสังคติ อย่างเรียบร้อยเลยแล้วก็เรียกพระเนนมาบอกว่ามานนี่เร็วมา น, นี่เร็วมาอ่านอมฤตธรรมเร็วเทวดาใส่บาทให้นะเมื่อเช้านี้หายากนะเนี่ยนะนนเนก็เอามาอ่านข้อความเขียนว่าพระผีบ้านะเป็นพระเป็นเจ้าแต่ไม่มีเศษไม่มีไม่สำรวมไม่มีสีไม่มีวิญัยขอเอาแต่ขอข้าวชาวบ้านเขา พระแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะห่อเหินโดนอากาศได้ก็ไม่มีใครนับถือนะไม่สมคุณพระให้ออกไปจากวัดนี้เดี๋ยวนี้นะไม่กันจะเอาลูกตะกลัวมาฝาก เ, เขียนแรงทีเดียวนะคนสมัยก่อนนี่เขาก็ก็ไม่กลัวพระนะที่จริงคนที่เขียนนี่ก็คงจะตั้งใจดีนะแต่ว่าเขามีความเข้าใจาพระที่ดีจะต้องเป็นพระที่เรียบร้อย เขามองไ ม, ไม่สามารถจะมองเห็นทะลุไปถึงใจของหลวงพ่อทองรากวัฒนเป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระดีทีเดียวเป็นพระแท้ด้ยวยก็เขียนมาแต่ว่าท่านเสียหายมากถ้าไม่โกรธเลยนะพอเนนอ่านจบท่านก็บอกเนี่ยเอาเก็บไว้นะใต้ฐานพระบูชาเนี่ยของดีหายากนะเนี่ยแตก่อนนี้ได้ยินแต่ชื่อนะว่า โลกธรรมแนี่เป็นอย่างนี้นะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสารเสริญนินทาสุขทุกขวันนี้ได้เห็นของจริงเลยนะนะเป็นของดีนะให้เก็บเอาไว้นะได้เห็นอ่าของดีได้เห็นของหายากนะท่านไม่ได้รู้สึกโกรธเลยนะท่านกลับอ่าใช้โอกาสนี้เนี่ยสอนเนรนะตัวท่านเองก็นะไม่ได้หวั่นไหวแล้วนะแต่ว่า มันก็เป็นโอกาสที่ทําให้ได้เห็นว่าเนี่ยนี่แหละคือโลกธรรมโลกธรรมแปดเป็นอย่างนี้เองนันเนี่ยคือสัจธรรมนะที่เราควรจะมองให้เห็นนะเวลาถูกด่านี่ก็ให้ตั้งสติสักหน่อยอย่ามัวแต่โมโหโกรธาให้มันเป็นสิ่งย้ำเตือนใจว่าเนี่ยมันคือโลกธรรม มันคือสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นหลวงพ่อท่านยังพูดด้วยว่าเนี่ยคนที่เจอทุกข์นะก็เห็นสัจธรรมไดนะ้เจอทุกข์เนี่ยเช่นอะไรนะก็เจ็บป่วยนะหรือว่าเวลาสูญเสียทรัพย์นี่ก็ลองดูให้ดีเถอะนะสัจธรรมมันแสดงตัวไม่ให้เราเห็นละเจ็บป่วยนี่ก็เขาก็สอนทําให้กับเราณนะว่าเนี่ยสังขารเป็นอย่างนี้เองมันไม่จีิรัง มันเป็นทุกข์ร่างกายนี่มันมีความทุกข์แฝงอยู่แล้วมันพร้อมจะแสดงตัวออกมาโรคภัยไข้เจ็บนี่มันพร้อมที่จะโผล่มาพราะเจะ้าตรัสว่านะความเจ็บไข่อยู่ในความไม่มีโรคความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวนะความตายมีอยู่ในชีวิตนะร่างกายของเราสัางขารเรานี่มันก็มันเป็นทุกข์นะ แต่ว่าบางช่วงบางเวลาเราก็นึกว่าเป็นสุขนะเราก็ใช้ร่างกายนี้ในการแสวงหาความสุขนะในการกินการดื่มการเที่ยวการเสพเดี๋ยวนี้ผู้คนรุ่มหลงมากกับเรื่องร่างกายพยายามบำรุงบำรเรอร่างกายพยายามตกตกแต่งพาตัดเสริมทรงให้ร่างกายดูดีเพื่ออะไรนะเพื่อใช้ในการเสพเสกกรามนะไปล่อลวงไปล่อลอก ให้ผู้คนมาหลงติดหรือว่าเพื่อใช้ในการทำมาหากินนะรูปร่างดีหน้าตาสาวสวยก็ก็มีเงินนะมีทองมีชื่อเสียงก็ติยตามมาได้เป็นดาราได้เป็นนักร้องศิลปินอันนี้ก็เพื่อนะดูดเอาความสุขมาปลนเปลือตัวเองใช้ร่างกายเพื่อความสุขเพื่อการเสพสุข แต่ก็ไม่ได้ตระหนักว่าร่างกายนี่มันคือรังแห่งโรคเลยนะมันคือตัวทุกันนะว่าโนะดยย่อขันตั้งห้าเป็นตัวทุกตัวทุกคือมันมันถูกมันมีความเสื่อมมันมีความสลายมันตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่ความปวดความเมื่อยนี่ก็มันแสดงเห็นทุกถ้าเวลาเราเจ็บเวลาปวดหรือแม้แต่เวลาเมื่อยเนี่ยนะก็ให้รู้ว่าเนี่ย สัจธรรมกำลังแสดงตัวออกมาให้เราเห็นแล้วถ้าเราไม่หมัวแต่โมโหนะขุนเคืองความเจ็บความปวดหรือว่าความเมื่อยเนี่ยใจเราก็จะค่อยๆซึมซั บ, ร, บรับสัจรับสัจธรรมไปหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกอยู่เสมอนะว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดไม่ใช่ฉลาดทางโลกนะแต่ว่าฉลาดทางธรรมก็คือฉลาดในเรื่องของอันติจังทุกขังอนัตตา ปวยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกครั้งนะอันนี้ท่านก็พูดเหมือนกันปวยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะก็คือว่าเปิดใจเห็นสัจธรรมเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ใชตนสั่งไม่ได้บังคับให้หายป่วยก็บังคับไม่ได้นะรู้แต่เล่นแต่ว่าเราจะาเติมเหตุเติมปัใจจัยให้มันพอเหมาะมันก็หายป่วยได้เพราะร่างกายเราจะเจ็บจะป่วยไม่ใช่ ความบังเอิญแต่เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมันป่วยเพราะเหตุปัจจัยและมันหายได้ก็เพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะความอยากของเราไม่ใช่เพราะาเราสั่งได้ของหายนะก็เป็นทุกแบบหนึ่งนะพลาดพลากจากของรักมันก็เป็นทุก์แต่มันก็สอนศัจธรรมให้กับเราเหมือนกันสอนว่าอะไรสอนว่าข้าวของทั้งหลายนี่มันมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง นะมันสอนว่าความพลดพากสูญเสียความไม่จรังยั่งยืนนี่เป็นธรรมดาบางคนก็มองไม่เห็นไม่เข้าใจก็เลยเสียใจอาัลอาวอมีคนหนึ่งในซักเรื่องเหตุการณ์คือสัก1ิปีที่แล้วสมัยที่โทรศัพท์มือถือยังราคาแพงทำโทรศัพท์มือถือหายก็เสียใจนะกุ่ม อ, อกกุ้มใจ อยาจะได้โทรศัพท์คืนเพราะมันเก็บข้อมูลไว้เยอะเบอร์โทรศัพท์ใครต่อใครมากมายทำยังไงแทนที่จะไปหาตํารวจก็ไปหาหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อท่านนั่งทางไหนได้เชื่อว่านั่งทางไหนได้ไปให้หลวงพ่อช่วยบอกนะว่าจะหาคืนได้ที่ไหนจะเจอได้ที่ไหนอันนี้นะเขามีความทุกนะข์นะเพราะเขาจึงมีความยึดติด แทนที่ก็จะเห็นสัจธรรมนะเข้ากับจมอยู่ในความทุกข์หลวงพ่อแทนที่จะถามว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรหายที่ไหนท่านถามว่ามีทองั้ยมีครับเออไม่นางก็ไปมีรถไหมมีครับไม่นานก็ไปเหมือนกันมีแฟนั้มมีครับนะไม่นานก็ไปเช่นเดียวกันถามแค่นี้ แกก็เลิกแล้วเลยเลิกเลยนะกราบลงพ่อไปเลยไม่รอคำตอบแล้วว่าจะหาโทรศัพท์ได้ที่ไหนเพราะได้เฉลียวใจคิดเฉลียวใจได้คิดแล้วนะวาะเออโทรศัพท์หายนี่มันมันยังน้อยนะต่อไปจะเจอหายมากกว่านี้จะเจอสูญเสียมากกว่านี้แลวขณะเดียวกันก็ได้คิดว่าเนี่ยการสูญเสียความพัดพาเป็นเรื่องธรรมดา มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์หายเท่านั้นต่อไปก็จะหายโน่นหายนี่สูญโน่นศูย์นีนนนน่เขาคงเห็นสัจธรรมแล้วนะเออการสูญเสียมันเป็นเรื่องธรรมดาบางคนจะเรียกคนส่วนใหญ่ก็ได้จะเห็นสัจธรรมได้เนี่ยก็ต้องมีคนมาเตือนมีคนมาบอกมีคนมาแนะแต่ถ้าหากว่าจะเห็นเองเนี่ยมันยากแต่ว่าเราก็ไม่จำต้องเป็นอย่างนั้นนะ เราก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้เนี่ยนะเพื่อเปิดใจเห็นสัจธรรมได้เป็นทุกข์ก็เห็นสัจธรรมไดนะ้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้และยเห็นสัจธรรมได้มากกว่านั้นก็ได้นะถ้าหากว่าเรารู้จักใคร่ครวรมีสติเวลาถูกดา่านะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์ในใจถ้าเราเห็นมันนะ ก็เท่ากับว่าเราเห็นสัจธรรมแล้วเห็นทุกข์เห็นความโกรธเกิดขึ้นหรือของหายเห็นความเสียใจเห็นความอะไรอาวรณ์เห็นความขุ่นเคืองถ้าเราเห็นนะอันนั้นเท่ากับว่าเราเห็นสัจธรรมแล้วเพราะว่าทุกข์ก็คือสัจธรรมอันหนึ่งเนีเป็นสัจธรรมข้อแรกเลยในอริสัจสี่อริสัจสีนี่ข้อแรกคืออะไรก็คือทุกข์นะถ้าเราเห็นทุกข์นะ ที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันเกิดขึ้นกับกายนะก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นสัจธรรมแล้วเห็นอริสัต์ข้อแรกนะทุกเนี่ยเป็นอริสัตข้อแรกและสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับอริสัตข้อนี้คือรู้หรือกําหนดรู้ท่านใช้คาปริญญานะปริญญาคือรู้รอบรู้ทั่วนะไม่ใช่กําหนดรู้ในความหมายที่เป็นการเพ่งนะเพียงแค่เราเห็นทุกที่เกิดขึ้นในใจ หรือเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเวลาเจ็บเวลาป่วยนะอันนี้เท่ากับว่าเราเห็นสัจธรรมแล้วแตต้องเห็นนัไม่ใช่เป็นนะส่วนใหญ่ไม่ใช่เห็นหรอกเข้าไปเป็นแล้วเป็นมันจะเห็นได้อย่างไงเพราะตอนนั้นมันจมหายเข้าไปในความทุกข์ละไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อเห็นทุกข์นั้นเราดูต่อไปนะมันก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัย เวลาโกรธล้โมโหจะเห็นแต่เพียงแค่นี้ว่าเห็นความโกรธเกิดขึ้นแต่ลองมองให้ลึกลงไปก็จะเห็นว่าที่โกรธเพราะว่ามันมีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นเช่นมีความยึดมั่นในในชื่อเสียงในตัวตนนะเวลามีความยึดมั่นในชื่อเสียงในหน้าตาในตัวตนเนี่ยมันก็ไม่ย้ายใครมาแตะมีแต่อยากจะให้คนชมนะอยากให้คนสรรเสริญ ถ้าเดี๋ยวนี้ผู้ค น, นมีความยึดมั่นในตัวตนสูงมากนะทำอะไรก็อยากจะให้คนชมให้คนสรรเสริญเดี๋ยวนี้นะจะต้องถ่ายรูปตัวเองเอาขึ้น Facebook เป็นประจำนะเจออะไรก็ถ่ายสิ่งที่ถ่ายเอาขึ้น Facebook ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอาหารนะเสื้อผ้าได้ไปเที่ยวนอนเที่ยวนี่ เพื่อเอาขึ้นเพื่ออะไรนะเพื่อจะให้คนชมให้คนกดไลค์กดไลค์ไลค์ไปว่าชอบชอบใจนะถ้าคนไม่กดไลค์นี่ทุกมากเลยนะมันเป็นการพยายามประกาศตัวตนแบบหนึ่งนะเป็นการแสดงตัวตนหรือประกาศตัวตนให้โลกรู้ประกาศอยู่เดียวไม่พอนะต้องขอให้ชมด้วยนะกดไลค์ถ้าไม่กดไลค์นี่โมโหนะทุกนะ ไม่ต้องพูดถึงวิจารณ์นะแค่ไม่กดไลค์นี่ก็ทุกแล้วนี่เป็นเป็นกันมากนะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็กดก็เอาขึ้น Facebook ประกาศตัวตนว่า น, นี่แหละกูนะกูทำโน่นกูกินนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นจึงมีความบบกบางมากเพียงแค่คนไม่ชมคนไม่กดไลค์ก็ทุกแล้วอันนี้มันก็สะท้อนห็นความยึดมั่นถือมั่นใน ในตัวกูนะในยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาในชื่อเสียงและยิ่งยึดมั่นเท่าไหร่เนี่ยพอมีอะไรมากระทบก็จะทุกข์ไม่ต้องไม่ต้องถึงกับด่าแล้วนะแค่ไม่ชมหรือว่าไม่ไม่พูดไม่พูดจาภพเราะนี่ก็โกรธละไม่พอใจและนะงั้นถ้าเราฉลาดเนี่ยเวลาเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอย่ามวัวแต่ไปโกรธคนอื่นนะต้องมีสติ ปะกาแล้วก็รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นรู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นอย่ามัวส่งจิตออกนอกกลับมาดูใจและดูใจนะสาวไปก็จะพบตัวตัวกิเลสนะคือตัวอุปาทานนี่แหละเวลาเงินหายของหายแล้วทุก์เสียใจเนี่ยนะก็อย่ามัวแต่โทษคนนั้นคนนี้ให้กลับมามีสติรู้รู้ใจเห็นความเสียใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นต่อไปนะ เห็นต่อไปว่าเนี่ยมันเป็นเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นในของนั้นว่าเป็นของกูของกูของกนะูเวลาคนอื่นทำเงินหายมากกว่านี้เราไม่เห็นเดือดร้อนเลยแถมยังแนะนำเพื่อนได้อีกนะว่าเงินทองเป็นของนอกกายนะดูมันไปเถอนนะหาใหม่ก็ได้ถ้าเป็นของคนอื่นนี่เราพูดแนะนำาก็ได้ดีดเลยนะแต่พอตัวเองเจอ แต่พอเจอกับตัวเองเงินก็น้อยกว่าของเพื่อนต้องสิบเท่าแต่ว่ากับเสียดายกับอะไรเพราะไรเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นในของกูในนักปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องฉลาดในการที่จะมองเห็นนะไม่เพียงแต่มองเห็นทุกข์ไม่เพียงแต่มองเห็นความโกรธความเสียใจความโมโหที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องมอง ให้มันสาวลึกไปถึงต้นเหตุคือสมุทยัยก็คือไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะซึ่งมันก็เจอไปด้วยความหลงอย่าไปเห็นแต่เพียงแค่ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องมองทะลุให้ไปเห็นถึงต้นต่อหรือสาเหตุหลวงพ่อทูตธรรมท่านเปรียบเอาไปดีนะท่านเปรียบว่าหมาเนี่ยนะเวลาใครเอา มีดไอ้ใครเอาไม้มาแย่เนี่ยมันจะกัดไม้แต่เสือเนี่ยถ้าใครเอาไม้ไปแย่มันนะมันไม่กัดไม้นะมันกัดคนที่ถือไม้นะมันต่างกันหลวงพ่อพูดท่านทั้งเลยบอกว่าให้เราเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแบบชาติหมานะให้เป็นนักปฏิบัติธรรมแบบชาติเสือท่านพูดนี่กระตกดีนะอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแบบชาติหมาให้เป็นนักปฏิบัติธรรมแบบชาติเสือคือว่า อย่าเพียงแต่เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจแต่ว่าต้องมองให้เห็นลึกไปถึงสาเหตุหรือสมุทัยของอาการนั้นก็คือกิเลสนะคือตันหาคืออุปาทานนะอย่างที่อาจมาเคยบอกไว้แล้วว่าเวลาเวลานักปฏิบัติทำจนจํานวนมากเนี่ยรู้ทันความคิดแล้วก็ปล่อยวางความคิดแต่ว่าเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆเหมือนกับกวาดกวาดลานวัดเนี่ย ก็กวาดเอากรวดเอาหินออกไปแต่ว่าหินก้อนใหญ่ๆนะหินก้อนเบ้อเริ่มเนี่ยที่มันอยู่บนถนนเนี่ยกับมองไม่เห็นไม่แตะมันเลยนะอันนี้ก็เหมือนกับก็เหมือนกับก็เปลี่ยนได้กับนกักปฏิบัติธรรมที่มองเห็นแต่อาการของจิตรู้ทันอาการของจิตหรือว่ารู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอใจแค่นั้นนะมองไม่เห็นลึก หรือสาวไปไม่ถึงไอ้ตัวกิเลสตัณหาซึ่งเปลี่ยนมันก็หินก้อนใหญ่ๆก้อนเบริรมเลยมันอยู่บนถนนอยู่กลางลานแต่มองไม่เห็นเห็นแต่กวดก้อนเล็กๆนะอันนี้ ย, ยังเรียกว่ายังยังไม่ใช่นะอาจารย์พุทธาท่านเรียกว่าเนี่ยเราปฏิบัติทําแบบชาติหมาน ะ, นะเราต้องเป็นชาติเสือนะคือไม่ใช่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ใชจัดการแต่ไม้นะที่มันมาที่มาแย่แต่ว่า จัดการกับไอตัวสาเหตุที่ถือไม้นะต้นต่อของไม้นั้นนะคือสมุทยัยนะนี่ลองเตือนเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็แสดงว่าเห็นสัจธรรมลึกเข้าไปแล้วนะเวลาโกรธเวลาถูกด่าว่าไม่ได้เห็นแค่โลกรธรรม8ไม่ใช่เห็นแค่ความโกรธที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอิสัะข้อแรกแต่เห็นสาวไปถึงตัวตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นสมุทยัย เราจะเห็นสมุดไทยมันก็จะเห็นนะเมื่อเห็นต้นเหตุหรือสายเหตุแห่งความทุกข์มันก็จะพบว่าสายเหตุแห่งความไม่ทุกข์คืออะไรสายแห่งความไม่ทุกข์คือการที่ตัณหาดับอุปทานดับนะอวิชชาดับนะและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะก็ต้องทํำสายเหตุนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้ทํำสายเหตุแห่งการดับของอุปทานการดับ ของอตันหาตรงนี้แหละที่มัคคีองแป8จะเข้ามามัคคีองแป8มาเพื่อที่จะได้สร้างเหตุปัจจัยแห่งความไม่ทุกข์ขึ้นมานะอันนี้ก็ต้องอาศัยนะอาศัยคำแนะนำของของครูบาอาจารย์ละว่าไอเหตุปัจจัยแห่งความไม่ทุกข์คืออะไรเราก็รู้นะมัคมีองแป8แต่ว่าจะทำอย่างไร นะอันนี้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนชินนะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเห็นก่อนนะในเรื่องไอตัวทุกข์แล้วก็ตัวสมุทยัยนะซึ่งก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันนะสัจธรรมข้อที่1ข้อที่2นะในเอเลสสัตตสีั่นที่พูดมาทั้งหมดก็คงจะเห็นแลน้วนะว่าเนี่ยแม้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้แม้มีความทุกข์ก็เห็นสัจธรรมได้แต่อย่างที่บอกเวลาส่วนใหญ่ มองไม่เห็นเพราะว่าจิตมาส่งออกนอกนะไม่กลับมาดูใจไม่กลับมาตามดูรูปทันกายและใจนะเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนะการกลับมามองตนนะมันจะทําให้เราเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นสัจธรรมได้นะเพียงแค่เห็นทุกเนี่ยไม่เป็นทุกนี่ก็สําคัญแล้วนะเพราะว่าเราจะรู้จักทุกได้เนี่ยเราต้องเห็นมันไม่ใช่ไปเป็น เป็นนี่ก็คือเข้าไปอยู่ในทุกแล้วนะถ้าเข้าไปอยู่ในทุกมันก็ไม่เห็นทุกนะแล้วก็มันก็ไม่รู้จักทุกจะรู้จักอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องออกมาไม่ใช่อยู่ในนั้นอาจารย์คันชิเคยเล่านะว่าเคยพาลูกศิษยนะ์ชาวเยอรมันเนี่ยยัก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะก็มาอยู่วัดอยู่วัดอยู่สักระยะหนึ่งนะวันต่อมาก็ท่านก็พาลูกศิษย์คนเนี้ย ไปเยี่ยมผู้ป่วยเอดที่โรงพยาบาลชัยภูมิเสร็จแล้วก็ไปแวะที่โรงเรียนการจิาพิเศษโดยในจิตาพิเศษนี่ก็มีเด็กเยอะวัยรุ่นก็มากเห็นเห็นวัยรุ่นเยอรมันต่างประเทศก็แปลกใจนะล้อมไปล้อมพูดคุยกันนะเรียกว่าตอบไม่ทันเลยนะเพราะว่า คนไทยเห็นฝหลังนี่ก็แปลกใจนะก็ไปคุยในเด็กเยอรมันคนนี้นะก็บอกว่าโอยพอออกจากพอกลับมาถึงวัดก็บอกไม่ไหวไม่ไหววุ่นวายจังอยู่วัดมาต้องนานนะเพิ่งรู้จักวัดวันนี้แต่ก่อนอยู่วัดนี่ไม่ไม่รู้จักวัดเลยนะพอออกจากวัดเนี่ยถึงรู้ถึงรู้จักวัดรู้ว่ายังไง รว่วัดเนี่ยมันสงบไม่วุ่นวายออกจากวัดเนี่ยถึงรู้จักวัดนแะแล้วแกก็บอกต่อไปว่าเนี่ยอยู่เยอรมันเนี่ยนะก็ไม่รู้จักเยอรมันหรอกพอออกจากเยอรมันมาอยู่เมืองไทยถึงค่อยรู้จักเยอรมันนะและคิดว่าเนี่ยคงจะยังไม่รู้จักเมืองไทยจนกว่าจะออกเมืองไทยไปอาจารย์ก็ช่นก็เลยอาทิตย์ก็เคยสรุปให้ฟังว่าเนี่ยนะ เราอยู่กับสิ่งใดเนี่ยเราไม่เราจะไม่รู้สิ่งนั้นเราจนกว่าเราเจอะจากสิ่งนั้นเราถึงจะรู้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราใจเราอยู่ในความทุกข์นะมันไม่มันไม่รู้จักทุกข์หรอกมันต้องออกมาจากทุกข์มันถึงจะรู้ทุกข์เข้าใจทุกข์นะให้เาว่าทุกข์เป็นสิ่งต้องกําหนดรู้เนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ก็คือว่าจะรู้จักทุกข์ได้เนี่ยมันต้องออกมาจากทุกข์มาเห็นทุกข์ เราจะเห็นสิ่งใดเนี่ยไม่สามารถจะเห็นมันได้ถ้าเรายังอยู่ในสิ่งนั้นเราจะเห็นศาลานี้ได้เราต้องออกจากศาลาถ้าอยู่ในศาลาก็ไม่เห็นนะไม่เห็นว่าศาลานี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรออกจากศาลานี้ยิ่งอยู่ห่างจากศาลานี้เท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้จักหรือเห็นศาลานี้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อเจ้าเปรียบสติว่าเปรียบผู้ที่มีสติเหมือนกับผู้ที่ อยู่บนหอคอยนะอยู่บนหอคอยคือเป็นที่สูงเนี่ยก็จะเห็นอะไรชัดนะถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับคนที่แบบว่าอยู่ในกระแสา น, าน้นะําำแบบว่าอยู่ในกระแสา น, าน้ำนโอมันเปียกนะมันดําผุดดำว่ายคนที่เวลาเจอทุกข์แนละ้วะแล้วก็ไม่เห็นทุกข์เนี่ยคือเป็นทุกข์เนี่ยก็เหมือนกับยังแบบว่าอยู่ในอยู่ในความทุกข์นะ และจะยงเราจะรู้จักทุกได้อย่างไรนะจะรู้จักทุกได้นี่ก็ต้องออกมาจากทุกอะไรทำให้ออกมาได้ก็คือสตินะสติช่วยทำให้ออกมาถอนจิตออกมาอย่างที่เราได้ได้สวดได้สาธยายนะในมาสติประธานสวดที่เราบอกว่าเนี่ยถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสร็จได้เมื่อถอนออกมาเนี่ยนะ ถอนออกมาจากความพอใจความไม่พอใจมันก็จะเห็นก็จะรู้จักเรื่องความพอใจความไม่พอใจแล้วก็รู้จักโลกดีขึ้นด้วยนะอยู่ในโลกก็ไม่เห็นโลกนะจนกว่าจะออกมาจากโลกนะแต่ไม่ใช่ออกมาด้วยการไปอยู่ในบททองฟ้าในอวากาศนะจะมาถึงจิตใจในออกมาไม่ใช่ร่างกายออกมาออกมาออกมาเป็นออกมาเป็นผู้เห็นนะไม่ใช่ผู้เป็น เราก็จะรู้ทุกแล้วก็จะจะรู้ไปถึงไอ้เหตุแห่งทุกข์ได้เพราะว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะจิตไม่ถูกหวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวเพราะว่าโดนความทุกข์รวมกระหนำ่ำซ้ําเติมเนี่ยก็สามารถที่จะใคราครวญจน เ, นเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นสมุทยัยก็เห็นสัจธรรมอีกตัวหนึ่งนะซึ่งสําคัญมากแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใคราครวญ น, นะเอาแต่คร่ําครวนเอาแต่คร่ํคราค ร, ครวนถึงอดีต นะคร่าครวรถึงของที่หายไปนะตีโพยตีพายเพราะนะถูกดา่าต่อว่าด่าทอก็เลยไม่มีไม่มีเวลาที่จะมาใคร่ควรวนไม่มีโอกาสที่จะมาใคร่ควรวนได้นะตาใดที่ยังคร่าควรวญอยู่เนี่ยมันไม่มีสติหรอกนะไม่มีปัญญาที่จะใคร่ควรวนได้นะเราจะใคร่ควรวนได้เนี่ยเราต้อง มีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นปกตินะเมื่อจิตเป็นปกตินะก็สามารถที่เห็นอะไรได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นลึกไปจนถึงตัวรางง่างเงาแห่งความแห่งความทุกข์เพราะในเวลาเราเจอทุกขนะ์นะั้นนะลองมองว่าเป็นของดีนะเจอทุกข์ก็คือเจอความไม่มีความโกรธมีความโมโหมีความมีความขุ่นเคือง ลองตั้งสติสักหน่อยเนี่ยเราจะเห็นกิเลสมันโผล่มาเวลาสบายๆนี่ไม่ค่อยเห็นกิเลสเท่าไหร่นะนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ในความสงบนะจิตสงบเยือกเย็นไม่ค่อยเห็นกิเลสหรอกบางทีเผลอไปคิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วหรือว่ากิเลสนะกำลับเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก็เป็นความหลงนะจะเห็นกิเลสเนี่ยบางทีมันก็ต้องเจอ อะไรที่กระแทกนะหรืออะไรที่มากระทบในสอพุทธกาลมีผ้ารูปหนึ่งนะท่านคิดว่าตัวเป็นพระอรหันเนี่ยถึง60ปีนะหลงคิดว่าตัวเอป็นพระอรหันเนี่ยนานถึง60ปีนะเพราะว่าจิตนิ่งสงบจนทางวันหนึ่งทุูดงในเดินเข้าไปในป่าเจอช้างเจอช้างพุ่งเข้ามาเนี่ยตกใจเลยนะตกใจรีบวิ่งใหญ่เลย ตอนนั้นแหะถึงรูกว่าจะมีกิเลสอยู่ถ้าไม่มีความกลัวไม่มีความตกใจก็ไม่รู้นะก็จะยังยังยังจะหลงอยู่ในความยังจมอยู่ในความหลงต่อไปเพราะฉะนั้นความกลัวก็มีประโยชน์นะมันทําให้เห็นกิเลสความกลัวก็เช่นเดียวกันก็ทําให้เห็นกิเลสได้ซึ่งเราก็น่าจะพอใจนะเพราะว่าถ้าไม่เห็นกิเลสเนี่ยปล่อยให้มันนอนเนื่องซุ่มซ่อนอยู่เนี่ยจะโดนมันเล่น ง, งานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ต้องให้มันแสดงตัวออกมานั้นะเราเวลาเรามีความทุกเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยตอนนั้นกิเลสมันแสดงตัวออกมาละลองสอดส่องดีๆนะมันจะเห็นแล้วถ้าเห็นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ก็จะทําให้รู้ว่าเออกิเลตัวนี้เราต้องระวังหรือว่ากิเลตัวนี้เราต้องจัดการมันอย่าปล่อยให้มันซุ่มซ่อนจนกระทั่งเราเผลอจนกระทั่งเราตายใจอันนั้นอันตรายมากนั่นที่หลวงพ่อกำเขียนนัพูดสั้นๆนะ ที่จิงเพูดเยอะนะในในในในคําบรรยายนะั้นแต่เพียงแค่ประโยชน์สองประโยชน์นี้ก็สําคัญแล้วนะถูกด่าว่าก็ยังเห็นสัจธรรมได้ไหมมีความทุกข์เมื่อใดที่มีความทุกข์ก็ยังเห็นสัจธรรมไดนะ้อันนี้ไปลองไปพิจารณาดูแล้วมาใช้กับตัวาจะมีประโยชน์มากคํานี้ก็พูดกันท่านทีน ะ, ะครับครับ